โฮสงฆ์ 169 หทิมังสาธิปฏิเคปกถาว่า เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้างสมัยนั้นช้างหลวงล้มในคราวเข้ายากมากแพงคน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 คนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนทนาว่าจึงฉันเนื้อม้าเล่าม้าเป็นราชพาหนะถ้าพระราชาทรงทราบคง เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัขสมัยนั้นในคราวข้าวยากหมากแพงคนทั้งหลายพากันกินเนื้อสุนัขได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบิณฑบาตผู้ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัข ฉายไหนพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรจึงฉันเนื้องูเล่างูเป็นสัตว์น่า นาคเหล่านั้นพึงเบียดเบียนภิกษุแม้ด้วยเหตุเล็กน้อย ผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมเมตตาแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้ รูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฎเรื่องทรง ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อราชสีห์รูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฎแล้วกินได้ถวาย พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้ง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 ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ เพราะได้กลิ่นเนื้อเสือดาวภิกษุจบ 170 ยาคุมธุโขลกานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาต 1250 รูป สมัยนั้นชาวชนบทบรรทุกเกลือน้ำมันคน 500 คนติดตาม ได้มีความ 2 เดือนแล้วด้วยตั้งใจว่าจะทําภัตตาหาร ไม่เห็นของ 2 อย่างคือข้าวต้มและขนมหวานจึงเข้า เราตัวคนเดียวและยังเสียประโยชน์ทางฆราวาสไปมากอย่ากระนั้นเลยเราเพิ่งตรวจ พราหมณ์ถ้าเช่นนั้นอาตมาจะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ โปรดรับพรามต้มและขนมหวานของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระ ประทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงห้ามพัดแล้วอย 10 อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสประการคือ 1 ให้ 4 ให้ 5 ให้ 6 บรรเทา 7 ระงับ 8 ให้ 9 ชำระ 10 เผาอาหารที่ยังไม่ ถ้ายก 6 ผู้สํารวมแล้วผู้ 6 คืออายุสุขะพละปฏิพานนอกจากนั้นข้าวต้มย่อมบรรเทา ดังนั้นผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นของมนุษย์ตลอดกาลนานและปรารถนาความสุขอันเป็น เราอนุญาตข้าวต้มและขนมหวาน 171 ตรุณัปปสันนะมหามัตตวถุว่าด้วยมหาอัมมาผู้เริ่มไสใหม่คนทั้งหลายทราบข่าว ฉันปฏาหาในโรงอาหารไม่ได้ตามต้องการสมัยนั้นมหาอมาตย์ 1,250 ที่เพื่อ 1,250 โดยร่วงไปแห่งราตรีนั้นเขาสั่งให้จัด 1250 ที่แล้วให้เจ้าหน้าที่ไปกราบ ประทับ จึงน้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละ 1 ที่ท่านโปรดรับให้พอความต้องการเถิดผู้ภิกษุกล่าวว่ามหาอมหาตพวกอาตมารับแต่น้อย จริงฉันโกรธเสียใจคอยจับผิดได้บรรจุบาทของ จึงได้นั่งเฝ้าหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง เราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอ แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระราชทานเราหรอเราไม่มีลาภหรอเรา จะขนเอาไปก็ได้เราสร้างสมบุญหรือบาปมากกว่ากัน ล้วนเลิศด้วยคุณสมบัติใดท่านจงเป็นผู้นั้นสวรรค์เป็นหนทางที่ท่านเริ่มต้นไว้แล้วครั้งนั้นมหาอัมมาตย์ผู้แล้วทราบว่าสวรรค์ แล้วลูกจากที่นั่งถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉันไหนหมู่คฤหัสถ์เหล่านั้นได้รับนิมนต์ไว้ที่ 1 แล้ว รูปใดพึงฉันพึงถูกปรับอาบัติ 1250 รูป สมัยนั้นพราหมเพลถกัจจานะเดินทาง 500 เล่มล้วนบรรทุกน้ําอ้อยงบเต็มพระ ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค 1 หม้อพระพุทธเจ้าค่ะพระได กราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วนําหม้อน้ําอ้อยงบ พระภเณรถกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้ ได้ถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการแล้ว ระแขนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มน้ำภิกษุบางพวก พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วได้ให้น้ำแล้วกราบทูลว่า จงให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเเดนจนว่า เธอจงนําน้ําอ้อยงบมาให้พวกคนกินเดนกินจน นำเลี้ยงดูพวกคนคินเดนให้อิ่มน้ำเลี้ยงดูพวกคนคินเดนจนอิ่มน้ำแต่น้ำอ้อยงบยังเทวโลกมารโลกโพรหมโลกทั่วทั้ง พร้อมเทวดาและมนุษย์เราไม่เล็งเห็นผู้ที่บริโภคน้ำอ้อย น้ำอ้อยงบนั้นได้เดิดพุ่งส่งเสียงดัง privileged atravต又 ชียๆこれพ้นไอพ้นควรขึ้นเหมือนผ้านที่ร้อนโชนตลอดวันที่บุคลจุ่มโลงน้ำย่อมเดิดพุ่งส่งเสียงดัง พระผู้ 1 ธานกถา 2 ศีลกถา 3 สักกกถา 4 กามาทินนวคถา 5 เนกขัมมานิสังสกถาแก่พราหมณ์เพลถะอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิก จึงทรงประกาศอมุขังนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทิน ควรรับน้ําย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นพราหมเพลทถกัจจานะได้เห็นธรรมแล้ว พระองค์ผู้เจริญภาษาของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระ ขอพระผู้มีพระ ภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุ 173 ปาตลิคามวัตถุว่าด้วยชาวปาตลิคามถวายที่พัก 1250 รูปสมัยนั้นพระผู้มี อุบาสกอุบาสิกาชาวปาฏลิคาหมได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงปาฏลิคาหมแล้วจึงพา ปลอบชโลมใจให้สุชื่นร่าเริงด้วยธรรมเอกถา โปรดรับอาคารที่พักของพวก ตามประทีปน้ำ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอนตรวาสกแล้วทรงถือบาตรและ แม่อุบาสกอุบาสิกาชาวปาฏลิคามก้อล้างเท้าแล้วเข้าไปอาคารที่พักนั่งพิงฝาพระผู้มีพระภาคโทษแห่งศีล ย่อมถึงความ 1 แห่ง 2 ข้าบดีทั้งหลายกิจจริยทรัพย์อัน yeah. 2 แห่ง จะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นคฤตยะบริษัทก็ตามพราหมณะบริษัทก็ตามคหบดีบริษัท 3 แห่ง 4 คหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลมี 4 แห่ง ของบุคคลผู้ทุศีล 5 พระบดีทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติ 5 แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล ภหุภดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 1 ภหุภดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติในโลก กิริยทรัพย์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมกระฉ่อนไปนี้เป็นอริยสมประการที่ 3 คหบดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นคัตติยะบริษัทก็ ไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่ 3 แห่ง ย่อมไปบังเกิดในสุคติที่ 5 แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลข้าพเจ้าดีทั้งหลาย ด้วยธรรมเมกถาจนดึกเดินแล้วทรงทรงกลับได้รับ สุหนีทะวัสสกะระวัตถุว่าด้วยและวัสสกะระเรื่องพุทธทำนายนครปาตลิบุตรสมัยนั้นสุนีทะและวัสสกะระผู้เป็นมหาอัมมาแห่งมคตรัตกําลังสร้างเมืองมีพระภาคทรงเติม โดยท่อพระเนตร ต่างน้อมเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นทวยเทพที่มีศักดิ์ชั้นต่ำอานนท์มาถามว่า ผู้เป็นมหาอัมมาแห่งมคตรัฐกําลังสร้างเมืองที่ปาตลิคามเพื่อป้องสุนีทะและวสสการะผู้เป็น เห็นทวยเทศเป็นจำนวนมาก RTX เป็นจำนวนมากกันมังยี่คลองที่ดินในประตลิคาม ถวยเทพที่มีสักค์ชั้นต่ำยึกครองที่ดีในประเทศ د hash g ของพวกพระราชาและราชมห��แฮมาชั้นต่ำ ต่างนอมเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้น Institucle чутьว่าสิถุüneเปลี่ยนranชุ่มชนแห่ง อารยะชนไหรอ และนครปาตลิบุตรจะเกิดอันตราย 3 อย่างคืออัคคีภัยอุทกภัยหรือการแตกความสามัคคีภายใน ได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรสุนีทะและวสสกะระมหาอมหาแห่ง ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วพระ พระผู้มีพระภาคทรงครองอนตรวาสกแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จไปที่จัดเลี้ยงของสุนีทะและ กระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จห้ามพลทหารแล้วทรงละพระหัตถ์จาก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 ด้วยพระคถาเหล่านี้แล้วได้เสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับเริ่ม ท่าที่เสด็จข้ามแม่น้ำคงคาจะได้ชื่อว่าท่าโคดมต่อมา ตามก็หาหรือผูกแพลูกบวชพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้น คนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสาใหญ่โดยมิให้แปดปื้นด้วยเลนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้ว